เรามาจเจริญสติกันมาสร้างความรู้สึกตัวกันที่นี่จเจริญสติประฐาน4แนวเคลื่อนไหวจิตจังหวะตรงนี้ท้ายสุดของช่วงกาเรเกบาลมเข้ม ตอนที่กลับมาจากปากช่องบานพุทธมนตานะจริงๆชื่อพุทธมนตานะแต่ชอบเรียกว่าพุทธมนตพราะวะที่นั่นเขาใส่ใจเรื่องการปฏิบธรรมกันเราใช้พื้นที่ของญาติโยมจำนวนไม่มากนัก ที่อยู่ที่พักสะอาดสะอานอาหารการกุันผู้ปฏิบัติการนองนขนไกวเจ้าของสถานที่ก็จัดหาไว้พร้อมมีภาพญาติโยมเกี่ยนประโยชน์รวมกันในการที่ประชาชนคนทั่วไปต่างคนต่างมารวมตัวเป็นชุมชน แล้วก็มาสนใจเรื่องการฝึกหัดปฏิบัติธรรมใน้อระยะสั้นๆ5วันเต็มเห็นว่าเมื่อทุกคนทำหน้าที่เช่นนักปฏิบัติก็รู้ว่ามาทำอะไรก็ทำหน้าที่ปฏิบัติรับรู้รับฟังหลักการและเหตุผล สรุปจะประเด็นว่าฉันมาทำอะไรฉันมาทำอะไรแล้วก็ใส่ใจไปใจเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในการที่จะใช้ชีวิตของเรานะขณะต่อขณะให้มันผ่านไปด้วยดีจนได้รับประโยชน์เช่นสอบถามพอมาถึงก็ สนใจนปฏิบัติที่เก็บลมเขม40่วันเดินสอบถามดูคนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีกำลังก็คือนั่งสร้างจังหวะได้เรื่อยๆเดินโยกมได้เรื่อยๆโดยไม่คยได้อาศาัยวัสดุอุปกรณ์1นึสที่เรียกว่าขนไกวปัจจัย4 5 6 7 8ดดอยู่แบบ ใช้รูปแบบปฏิบัติเดินยังกลนั่งสร้างจังหวะนะครับอยู่เงียบๆปรีไวิเวกไม่คุกคีสันโดดนะก็ได้ลงปฏิบัติกันนะมีเห็นตัวเองชัดนะเคยทำอะไรมาเคยคิดเคยพูดเคยทำกับใครนะแต่เล็กๆเรานะใครเคยคิดเคยพูดเคยทำกับเรา ตแต่เล็กๆมันก็เรียบเรียงออกมาสอนตนเคยไม่รู้เรื่องกรรมฐานเคยขนขวายอะไรดีอะไรที่มันเป็นประโยชน์แต่ก็ทำไปได้วยความไม่รู้และวท้ยสุดก็คือมันก็ไม่ได้คําตอบจากการอยู่วัดอยู่วามันก็ได้คําตอบขึ้นมามันก็ทะลัก พ, พรั่งพลูเรียกว่าจิตสอนจิตหรือว่าสติมันสอนจิต จิตสอนจิตก็คือมันก็คิดได้ํานึกบาป น, ะ น, ะน้าหูน้าตาไหลก็มีบางคน น, ะนะมันเห็นลองรอยแนวดีดเคิดลาบ ม, มันก็ต้องสังเกตอากาเราเหล่านี้ขณะที่เราฝึกในรูปแบบมันแสดงอยู่ตลอดเร่งเวลาน่ะจริงๆแล้วความคิดของเราที่คิดโดยไม่ได้ตั้งใจกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดแต่พอเรา ปฏิบัติเกลเจติกรรมฐานโดยเฉพาแนวเคลื่อนไหวนะั่นนะเราเห็นแล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวว่องไ ว, ว, งไวนะมันสัมผัสได้เลยรู้สึกตัวรู้สึกจิตนะเวลาไปทางตามันก็รู้สึกได้ทางหูรู้สึกได้แต่นะาทางหูนเนี่ยละเอียดหน่อยมาละเอียดมากกว่าการเคลื่อนไหวสัมผัสรู้นั้นเรามาจับ ปะเด็นของการปฏิบัติให้ถูกการนั่งการเดินการยืนการนอนเอยียบอดใหญ่ของกายเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเอยบอดย่อยกระพริบตาหายใจหันซ้ายหันขวาอันนี้มันก็มีอยู่แต่ว่ามันละเอียดหน่อยถ้ามีสติว่องไวคำ ว, ว่ามีสตินะหมายถึงว่ามีทุกคนนะแต่ว่าว่องไวนี่ไม่ทุกคนบางคนก็เจื่อย บางคนก็มีบ้างมีบ้างบางคนก็พยายามฝึกหัดจนกระทั่งมันถี่ขึ้นขณะต่อขณะขณะต่อขณะแล้วก็มีความเป็นเองชัดเจนจนกระทั่งมันเห็นอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวอ่ารเรารสึกตื่นตัวมันจะไปงงง่วงเป็นนิวรธรรมเป็นอากุศลธรรมเป็นความเบื่อเป็นความขี้เกียจมันไม่ใช่หรอกมันจะกลายเป็นการ เฝ้าดูภายในเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจไปแบบนี้ปรีคือวย่ไม่ใช่คนขี้เกียจ น, นะถ้าอยู่ก็รูปแบบอยู่แต่ถ้าทําอย่างอื่นเนะี่ยประเมินได้ว่าอาจจะใช่นะแต่ถ้าทําได้จริงๆแล้วนะ่ะจะอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่าสัตว์โลกอีกมากมายนะ่ะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็จะมีเมตตามีความปรารถนาดีนะแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจนะมันจะอยู่เฉยไม่ไดนะ้มันจะต้องช่วยเหลือ ช่ยเหลือเหมือนกับรอจังหวะรอโอกาสหลังจากที่มันฝึกตนสอนตนแล้วก็เห็นอารมณ์บุญเห็นลักษณะของกิตเอรเมตตาเป็นจิตพรหมมันแสดงออกมาในตัวเราเมื่อก่อนเนีมันแสดงเป็นลักษณะของอบายามพูมคิดแล้วน้ําตาไหลคินแล้วก็สะดุ้งวหวาดผวาคิดแล้วก็เสียวสันหลังคิดแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเอง คิดแล้วก็ว่าเหว่คิดแล้วขี้น้อยใจคิดแล้วก็เห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนะเนี่ยพอเรามารู้สึกตัวปั๊เราจะเห็นนะความคิดพวกนี้เป็นแค่อาการเป็นแค่อาการแล้วเราก็สามารถที่หยิบเลือกมาใช้ได้ทําหน้าที่ตัวนี้นนะแบบอาหาแบบกล้าหารแบบอะไรก็ตามเธอแบบรับผิดชอบมันมีอยู่จริงๆแต่มาเบืองตัวเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองให้ได้ ก็คือหายสงสัยเรื่องของวสารไหนได้ฝึกหัดปฏิบัติจะประเด็นเคลื่อนไหวรู้สึกจนมันจํานานในรูปแบบก็ทําเป็นนอกรูปแบบก็ทําเป็นมันรู้ตันวิธีการในโลกใบนี้มันถูกทั้งหมดนะแต่เราทําถูกหรือเปล่าถ้าเราทําไม่ถูกของที่ถูกมันก็ไปไม่ถึงอานิสงหรือว่าประโยชน์ที่ควรได้รับมันก็อาจจะมีแต่ว่าน้อยอย่างเงี้ย คุณค่าของความเป็นคนที่อยู่วันนี้มีความสุขอยู่ในโลกบรรย์โดยมีปัญหาแล้วไม่ต้องทุกข์ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาสำหรับคนที่ใส่ใจจริงๆแยบคายแล้วก็สังเกตใส่ใจด้วยแยบคายด้วยแล้วก็สังเกตสังเกตให้ดีๆอาการทุกๆอาการที่มันแสดงออกทางกายทางใจนะี่ท้ายสุดมันก็ส่งผลเป็นมโนกรรมบจีกรรมกายกรรม เราก็ใช้เป็นกรรมฐานเป็นการไปบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมธรรมชาติธรรมชาติของกายเป็นไงธรรมชาติของจิตเป็นยังไงเรากเกี่ยวข้องถูกต้องแะเป็นตัวปัญญาปัญญาจะเกิดลักษณะทีว่ว่าเราสนใจตัวเราจะเป็นปัญญาแบบโลกุตระไม่จนใจปัญญาแบบโลกิยาคือต้องการการกินเกียรติ ต้องการนำหนาจต้องการเกียรติยศต้องการสรรเสริญต้องการทรัพยากัพวกนี้อันนั้นเป็นลรื่องของปัญญาทางโลกแต่เมือเรามาอยู่รวมตัวกันที่วัดป่าสุกตัวแล้วเราแทบไม่ต้องขนไกวอะไรเลยเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่คนใจบุญมีบุญมาอยู่ร่วมกันมีคนที่มีพลังมีคนที่มีกําลังมาอยู่เฝ้าดูและพร้อมที่จะแบ่งปันเยอะเราก็จึงเพียงแค่ว่ามาใส่ใจบทเรียน ทางก็อยากจะทำปายไวนิ้วแล้วกันติดเพรมองมาที่เนี่ยทึมมากกะแสดงถึงไวนิ้ ว, ว่าชาติการหลวงปู่เทียนร้อยปีแล้วก็ปฏิบัติบูบชากันซึ่งก็เหลือแค่ร่องรอยของคําเล่าขานว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่เทียนเคยมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้เรื่องนี้แล้วก็มีหลวงพ่อเขียนท่านก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็เข้าใจทำไหมเราก็สังเกต การใช้กายวาจาใจหรือว่าสัมผัสธรรมเราได้มาใส่ลมโพธิธรรมหรือว่าท่านเป็นลมโพล้มใส่บารมีอย่างก็ต้องทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามีอาจารย์ไพศาล ม, มีพระอีกจํานวนมากเลยนะมาอยู่ที่นี่ร่วมกันอย่างเช่นเมื่อาาวานในเจอกับาชาวศรีรังกาสองท่านก็ถือว่าเป็นปัญญาชนก็ว่าได้มาอยู่กับพวกเรา เป็นแพทย์คนหนึ่งเป็นแพทย์ทางด้านสมองแล้วก็เป็นเภสัชกรคนจะมาบวชที่นี่นืงจากประเทศสิงคโปร์บวชแล้วต้องบวชตลอดชีวิตแบบวิศวกรด้า น, นหลังเนี่ยอาจาร่าเนี่ยเป็นวิศวกรแล้วก็อีกรูปหนึ่งซึ่งตั้งใจไปบวชมากแล้วก็เราก็เห็นว่าเราพูดการรู้เรื่องในแง่ของการมาที่นี่แล้วทําอะไรก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรเีย เคยได้ยินได้ฟังจากอาจารย์โทนที่เคยเป็นพระพลังสายล่มปูชาภาพ ร, รูปนี้ปฏิบัติทรมาเป็นย0ส ป, ปีไม่รู้เรื่องแต่ทยสุก็แสวหงหาครูบาอาจารย์แล้วก็มาที่วัดป่าสุภตโตไม่ได้สนใจนะว่าชุมชนสุภโตนี่เราอยู่กันแบบปล่อยจริงๆทว่ากันภา พ, พวินัยแล้วเนะี่ยมาอยู่ที่นี่จะเห็นว่าปล่อยให้ปกครองตัวเองกันให้ขีเหล่แสดงเต็มที่เลย ท้ายสุดทําไมได้เข้าสู่รูปแบบเดี๋วกรรมจำแนกสัตว์เห็นชัดๆคนใหม่ๆจึงหลังไหลมาตลอดเวลาคนเก่าๆที่ปฏิบัติก็ยังเห็นหน้ากันอยู่ะคนที่ไม่ปฏิบัติเราก็เห็นหายแล้วหายเลยไปอยู่ที่อื่นก็มีก็ไม่ว่ากันตรงนี้ก็คือได้ประโยชน์กันแล้วกันสำหรับชีวิตของเราที่เกิดในเมืองไทยแล้วมีพระพุทธศาสนานะโดวยทีามาที่นี่แล้วเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวชาวสี่ทางกายร่างสมบัติไนดะ้ก็บอกว่าถ้าคิดไป ให้กลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเอาฐานกายล่อไว้ก่อนพอมาเห็นฐานกายฐานกายฐานกายนะดียังอื่อนำจะเห็นเองการเห็นตัวชีวิตของเรามีกายมีใจมีสติเป็นตาในแล้วก็ดูมันเนี่ยมันจะเกิดสมาธิปัญญาตามรองตามรอยของคําสอนในแนวของศาสนาชัดเจนตรงไปตรงมาตรงนี้แหละที่เรามาฝึกหาดปฏิบัติกันให้ทําอย่างนี้ะ ตอนเช้ามาทำวัดสวดมนต์ที่นีสายๆไปรับทานอาหารกันที่ศาลาน้าแล้วก็หลังจากนั้นทํากิจวัตรประจำวันลงฐานปฏิบัติกันเหมือนกันักเรียนที่ยังเรียนอนุบาลประถมมัธยมอะไรก็ตามก็รู้ว่าเออเวลานี้ต้องคิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ใส่ใจในวิชาเรียนแต่ละปีเรียดแต่ละปีเรียดแต่ละปีเรียดทั้งวันหรือเราทํางานทําการเนี่ย ออกจากบ้านไปเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องงานการที่เราทํากันใน8ดชั่วโมงในเวลาราชการนัก็คือทํางานให้รหลวงไม่ได้มาคิดเรื่องหาอยู่หากินเรื่องหนี้สินเรื่องลูเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์แต่เราคิดถึงว่าปัญหาหรือว่าโจทย์ที่ว่าอะไรแก้นีจนกระทั่งแก้สําเร็จเป็นงานสําเร็จแล้วก็ได้รับเงินเดือนมันคืออะไรแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งนั้น ชั้นใดก็ดีกรรมาฐานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันการที่เรามาเคลื่อนไหวรู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกจงมันให้รู้จักก่อนว่าเราเคลื่อนไหวทําไมไอ้ที่เคลื่อนไหวนะเคลื่อนเพื่ออะไรนะี่เมื่อรู้จักตรงนี้แล้วเนะี่ยเบื้องต้นนะมันจะเห็นอาการต่างๆมันจะทําความรู้จักของมันเองด้วยสติด้วยปัญญามีการเกี่ยวข้องเช่นนิวรธรรมปฏิบัติคนเก่าคนใหม่จะแบบเมื่ อ, อไหร่ถ้ากระดูกยังไม่แข็งพอนะ นักมวยยังไม่เจนเวทีเนะี่ยมันก็จะต้องมีนิวรธรรมเนี่แหละมาซ้อมให้มันมีกําลังก่อนเหมื่อการชกมวยไม่ใช่อยู่ๆเขาจะชกคู่ต่อสู้บนเวทีไม่ใช่ก็มีการวิ่งออกกาลังกายมีการยกดัมเบลมีการต่อยเป้านิ่งมีการต่อยเป้าเคลื่อนไหว้มีการชกลมมีการซ้อมจิตใจฮึ่อมอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฮึ่ม จะเป็นแชมป์จะเป็นนักมวยที่เก่งชนะคู่ต่อสู้เนี่ยเหมือนก็นักปฏิบัติธรรมแล้วก็ฮึกเหิมว่าความทุกข์เนี่ยเราจะเอาชนะมันได้แน่นอนกิเลสเนี่ยเราอยู่เหนือมันได้แน่นอนเจากิเลสมันเป็นครูสอนเราเนได้แน่นอนก็ฮึกเหิมอยู่กับตัวเองก็บอ ก, กบตัวเองนะเหมือนกับเมื่อวานอ่านคําสอนของอาจารย์ไพศาลในในเรื่องประวัติอาจารย์สมใจเอามาให้มีโยมก็ฝากมาให้ ท่านพูดว่าการที่ท่านอยู่ได้ในเครื่องแบบของวัตสงเนี่ยก็เพราะว่าท่านมองไปในอนาคตน้อยๆท่านมองย้อนกลับมาที่อดีตน่ยมากๆย้อนกลับไปที่อดีตเยอะๆ เ, เห็นรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่ผ่านมามันไม่สบายไม่สะดวกมันเป็นทุกข์การใช้ชีวิตของพระเนี่ยคิดไปข้างหน้าน้อยๆ ก็แสดงว่าท่านต้องอยู่กับปัจจุบันมากๆากแล้วก็ทบทวนอดีตก็เหมือนกับการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละะมันจะทบทวนอดีตจริงๆเราเคยเป็นอะไรมาเคยทําอะไรมาเคยทุกข์เรื่องอะไรมันจะเกิดย้อนกับแม่เราทบทวนรูปรอยของความคิดในส่วนใหญ่อดีตนั่นแหละเราก็ได้เห็นความทุกข์ปัญหาเก่าๆมันเกิดขึ้นมาแล้วกลับมาหาปัจจุบันน เรียก ว, ว่าน้ําไหลเชี่ยวท่าไหร่ันพัดลงความต่ำไปสู่ความเสื่อมเราก็เกาะหลักไว้ดีๆเสาหลักของเราคืออะไรถ้าเป็นเรื่องของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราก็หลักก็คือการเคลื่อนไหวของกายกายเคลื่อนไหวใจรู้จิตกาสากายอยู่ทุกขสุขกาสายที่กายอยู่เพรอจิตนาสายที่กายสุขทุกข์เกิดที่จิตความคิดกาสายกายอยู่เหมือนกันนะรดังนั้นความรู้สึกตัวก็อยู่ที่กาย เมื่อจิตมันมีสติอยู่กับกายมันก็ปลอดภัยมีบ้านอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ร่างกายของเราเป็นวิหารธรรมเห็นการเคลื่อนไหวหจากหยาบไปหาละเอียดหยาบก็หมายถึงการนั่งการเดินการยืนการนอนนะอีโบที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างกลางก็เช่นนะกวิปต า, าหายใจมีอยู่ตลอดเวลาอย่างละเอียดก็เช่นการหิวการกระหายพวกนี้มาละเอียดมาซ้อนอยู่กับพวกเรา เจ็ปวดเมื่อยวันนี้มันก็ละเอียดอยู่นะถ้าเป็นลักษณะของในจิตเลยที่มันเป็นความละเอียดก็คือความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาความสุขความทุกข์ความปกติความไม่ปกติวันี้เราจะได้เห็นมันเพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็นปกติรู้ซื่อๆตัวรู้เฉยๆมันจะเกิดกับผู้ปฏิบัติเมื่อเรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะตัวนี้นพอเราจะประเด็นได้นะไปไหนมันก็ซื่อ เจอคนที่เคยพอใจไม่พอใจคนที่เป็นมิตรเป็นศัตรูมันก็ซื่อๆกระตรงนั้นอ่ะเจิดเจิดกระตรงนั้นนะมันก็จะเฉยๆกับตรงนั้นะแล้วกลายเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาคือเรารู้จักเรารู้จักเขาเขาก็ไม่ใ่เราเราก็ไม่ใ่เขาเขาคิดเราคิดกับความเป็นจริงมันก็มีนะแล้วกลายเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตใช้ทวารต่างๆใช้จริตทิติมานณะต่างๆ ให้เกิดความถูกต้องเกิดความดีเกิดความงามเกิดจะได้ทําศิลธรรมหรือว่าวัฒนธรรมประเพณนะีเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นการแบ่งปันเป็นการช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นมาเพราะทั้งคนที่เข้าใจธรรมะไม่มีการอยู่นิ่งหรอกอยู่นิ่งๆเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะทำประโยชน์กับน สิ่งที่อยู่รอบๆตัวไม่กระทั่งเคยสังเกตอยู่ดูดดครูบาอาจารย์บางคนบาง ท, าท่านท่านได้สัมผัสท่านจะเป็นรษณะของปัจเจกปัจเจกหมายถึงอยู่นิ่งๆสอนคนไม่ได้เมื่อเราย้อนกลับไปปั๊บเราก็จะได้เห็นว่าเขาไม่ได้พูดให้ดูแต่ว่าเขาเขาทำให้ดูนี่ก็เขไม่ได้พูดให้ฟังแต่ก็าเขาทำให้ดูอันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็ได้เห็น เมื่อวานเลยได้เห็นหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านก็บอกว่าท่านหมดเสียงแล้วท่านก็พูดไม่ได้แล้นะก็บอกว่าผมก็หมดเสียงเหมือนกันหลวงพ่นะตอนที่ท่านมาพันคองอยู่นะก็บอกว่านะผมก็เสียงไม่ค่อยมีแล้วหลวพ่อต้องบอกเออพวกเราต้องหยุดกันหยุดพูดกันดีกว่าเสียงไม่ค่อยมีนะหยุดพูดกันะแล้วเราก็ทําตัวเรากันดีกว่านะตรงไหนที่เรา จะต้องทําก็คือการใช้ชีวิตของเราไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นกันต่อไปตัวเองเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็ไม่เบียดเบียนเราก็ใช้ชีวิตตามเหตุแต่ปัจจัยของเราไปวันวันเนี่ยนะมันก็มีบทสนทนาแบบนี้เกิดขึ้นมาเราก็จึงเรียกว่าได้ประโยชน์กันเอาประโยชน์นะมาวัดป่าโซตอนะมาเอาประโยชน์ตนประโยชน์ที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าตามกินเกียด ไม่ใช่หมายถึงว่าอำนาจไม่ใช่หมายถึงว่ารับสการ์ละไม่ได้หมายถึงว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ลักษณะของแก่นแท้ความวิมุตติหลุดพ้นนก็คือเราสามารถที่จะมีความสามารถที่ทำให้ตัวเองเนี่ยทุกข์ลดลงหรือว่าไม่ทุกข์ต่อไปก็จึงต้องเรียกว่าใส่ใจกันบทเรียนบทนี้ใช้การระมัดระวังสํารวมระวังตาหูจงเล่นกายใจ สัมรวมโดยใช้ความรู้สึกต claro. ัวรู้สึกตัวตัวนี้นะความรู้สึกตัวมันจะทําให้เกิดความสัมรวมขึ้นมามันเป็นอนิสงส์เป็นคุณค่าของการมีสติตามันเห็นมันจะเป็นสักตวันเองก็คือการสัมรวมหูได้ยินก็เป็นการสักตวันเองนะเป็นการสัมรวมสัมผัสกระทบต่างๆคิดนึกปรุงแต่งจะเป็นสักตะวันเองนะมันเป็นผลของการปฏิบัติอันนี้เรียกว่าการสัมรวมอันนี้จะรู้ตัวเองนะ แล้วการใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจต่างๆเราก็จึงต้องมีการสังเกตกันนะจะยกตัวอย่างให้ฟังการสังเกตเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นนะโรงเรียนแพทย์สอนแพทย์เนี่ยจะมีอาจารย์หมอเขจะต้องสอนลูกศิษย์ให้ไม่มีความขยะกขยัง้งหรือว่ามีความรู้สึกไม่กลัวหรือว่ามีการปรอง การรักษาคนไข้พยาบาลคนไข้คนนี้นะระหว่างคนไข้กับเราเนีจะต้องแยกแยกให้ถูกเราเป็นผู้รักษาส่วนคนไข้เนี่ยเป็นผู้ที่รับบริการถ้าเราขยักขยั่งโรคเรากลัวโรคนะมาติดเราเราก็จะไม่มีโอกาสใช้นีจะไม่ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ของเราอย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพของความเป็นแพทย์อย่างเงี้ยก็จึงพาไปที่ห้องเก็บศพ จะมีอาจารย์ใหญ่นอนอยู่วิธีการทําให้ น, ะนักศึกษาแพทย์ไม่ข ย, ยัแขยงศพก็คือเอานิ้วนะออกมาแล้วก็เอาทิมไปในรูก้นในรูทวานของศพนะแล้วก็แช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็มาใส่ปากอมเลยเอาบอกนักศึกษาแพทย์นะทำเหมือนกับอาจารย์เลยนักศึกษาแพทย์ก็ตะลงเออตะลงึงแล้วก็อึ้อง มีการเรียนการศึกษาแบบนี้ด้วยแต่จำใจจะต้องทำเหมือนกับที่ครูรัชอาจารย์ก็เราแสดงออกก็เลยใช้นิ้วนะจิ้มมรดกเอามาอมเอามาดูดทำเหมือนกับอาจารย์ทำหลายคนก็อาจเจียนออกมาอ้วกแตกออกมาบางคนก็ไม่อยากเรียนต่อวิชาแพทย์นะ หลังจากที่นักเรียนทุกคนทำอย่างอาจารย์เสร็จอาจารย์ก็บอกว่าพวกเธอเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปได้ในอนาคตแต่ว่าเธอต้องสังเกตกันให้มากกว่า น, นี้อีกต้องมีการสังเกตให้มากกว่า น, นี้เพราะว่าเมื่อกี้นะครูเอา นิ้วกลางนะจิ้มเข้าไปแต่ตอนที่อาจารย์เอามาดูดเนียอาจารย์ใช้นิ้วชี้ดูดนะเธอต้องสังเกตกันให้มากกว่า น, นี้เพราะว่านักศึกษาทุกคนเอานิ้วชี้จิ้มเข้าไปแล้วเอานิ้วชี้มาดูดฟังเข้าใจได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทําตามอย่าอ ย, าอยา่ต้องมีการสังเกตให้ดีๆเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านทําให้ดูอยู่ให้เห็นนะ อย่างเช่นหลวงพ่ออมเกลียนนะสังเกตให้ดีๆท่านใช้การวางกายวางใจยังไงหรืว่าวางจิตวางใจนะท่านใช้ยังไงท่านใช้หลังจากที่ท่านทําเป็นแล้วแต่ก่อนหน้าที่ท่านจะทําให้เป็นการวางนะท่านปฏิบัติในรูปแบบมาจนถึงวันหนึ่งหลวงปู่เทียนมาถามว่าอยู่ในห้องใช่ไหมครับทําอะไรอยู่ปฏิบัติอยู่ครับ ออกมาสิเปิดประตูออกมาสิเรามาเห็นก็เปิดประตูออกมาเออนะสังเกตเห็นข้างนอกไหมเห็นกับเห็นข้างในไหมเห็นก็เออนะให้ไปทําอย่างนั้นนะก็คือใจมันจะ ก, กลางๆแต่ว่ากลางๆตรงนี้มีสลายนะไม่ใช่กลางๆแล้วสงบอันนั้นไม่ใช่ น, นั้นเป็นฌาน แตว่า ก, กลางๆแล้วมันเป็นไหวพิปติพานก็คือมันจะรู้รอบ mm hmm. ตาดูนมันก็จะรู้อยู่แต่ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงหูฟังก็จะรู้อยู่แต่ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงมันก็ได้ยินเสียงสัมผัสเป็นะระนาของความรู้สึกเรื่องการเคลื่อนไหวนะนะถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วก็มีความเป็นกลางเห็นว่ามันเคลื่อนแล้วก็ธรรมดาๆเบาๆเหมือนกับเราทํางานแล้วก็มันมันมีความชํานาญแล้วก็ ไม่ได้เหมือนกับว่าเพ่งจีจ้องหรือว่าเผลอมันก็ใส่ใจอยู่กับงานนิ่งๆอันนี้เรียกว่าอารมณ์ปฏิบัติธรรมอารมณ์ที่เหมองการทํางานคือลักษณะของสติที่มันตื่นรู้นะแล้วก็รู้ถูกรู้แบบว่องไวไปกับเป็นวิปัสนาญาณ น, น, นะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาญาณก็คือมันจะรู้แล้วกกลับมารู้แล้วก็ปกติรู้แล้วก็ปกติจะสังเกตได้ว่าดูกายก็จะเห็นจิต ดูกายก็เห็นจิตและเมื่อสัมผัสกับการเห็นจิตมันปกติก็จะเห็นจิตเนี่ยที่มันว่าไหวคิดตรงนี้แหละมันจะเป็นอารมณ์ปฏิบัติ40วันสามารถสัมผัสได้ถ้าอยู่กับกลไกของการเคลื่อนไหวจริงๆแต่ก็เห็นว่านักปฏิบัติบางคนบางท่านในช่วงนี้ก็เริ่มกรรมฐานถอยหลังกรรมฐานแตกจะเป็นการจับกลุ่มสนทนาคุยกันบางคนก็นั่งอยู่ที่ทางเดินวงกลม อีกคนนึ่งก็นั่งบนเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเคลื่อนมือไปคุยกันไปอันนี้ถื่ว่าล้มเหลวพารู้เลยว่าล้มเหลวเพราะอะไรเพราะเราเห็นนะว่ามันคืออะไรนะนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยต้องแยกใครใส่ใจจริงๆนะแล้วก็ต้องมีกฎกติกาชัดเจนเลยถ้าจะคุยก็ไม่ต้องยกจะมีบทสนทนา น, นี่ให้หยุด หยดการเคลื่อนไหวแล้วก็ใส่ใจกับบทสนทนาอย่างๆอย่าใช้บทสนทนาคําพูดนะเป็นเพียงเพื่อให้เราอยู่ได้ไปวันๆนะอันนี้มันจะเสียเวลาเร็วแาดานพอปฏิบัติลําจัน ด, ด้านนะสู่พระเจ้าบอกว่าสู่ไปนอนดีกว่านะพระท่านบอกว่าใครก็ตามนะที่มีบทสนทนาพูดคุยกันระหว่างปฏิบัติเนี่ยท่านใช้คําว่าเหลวใช่ไหมคำว่าเหลวคือหิ้งนะ ขอสะอีนะท่านใช้คําว่าแต่วันเสียงนาสิกนะเป็นเสียงนาสิกแปลว่าต่ำว่าสามแปว่าเลวแปลว่าเป็นของผูุ้ชนอย่างเงี้ยนะคนตัวทั่วไปก็จะทําอย่างนั้นกินข้าวไปก็คือคุยไปเขาเรารับประทานกันไปก็นิ่งเรว่ฉันหรือว่าเดินไปคุยไ ป, ยไปเราเดินไปนะั้นรู้สึกตัวเกาเรียกว่าเดินจงกลมนะเราจึงไม่ได้คิดไปคุยไปเราจะไม่ได้เห็นความคิดการปรุงการแต่ง นะเพราะฉะนั้นเจตนาเคลื่อนไหวก็คือก็ต้องสังเกตว่ามีอาการอะไรที่ซ้อนๆขึ้นมาโดยเพราะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันนึกมันคิดใจมันนึกมันคิดในเห็นญาณเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวนะเราใส่ใจลงไปการเคลื่อนไหวเพื่อได้เห็นสมมติฐานของจิตที่มันเคลื่อนไหวไปคิดเร ว, ว่าตัวหลงตัวอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อเรารู้สึกตัว เราเจตนาสั่งมีสติรู้สึกตัวนี้มันเกิดความเป็นปกติให้เราอยู่ตลอดวลเวลาเวลาเรียกว่าศีลเพราะฉะคนที่มีศีลก็จะรู้สึกตัวตรงนี้จะเกิดความงดงามขึ้นมาอ่อนโยนนุ่มนวลกับตัวเองกับอาการต่างๆก็คือทำทีละครั้งทีละจังหวะทําให้จบเป็นแต่ละหนึ่งจังหวะแต่ว่ามันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันตรงนั้นมันจึงเป็นความนุ่ม น, นวลเพราะเราทําใจใจด้วยสติการเคลื่อนแต่ละจังหวะ จะนั่งจะลุกตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะให้สังเกตจะลุกจะนั่งอันนี้ก็ต้องสังเกตเป็นจุดอ่อนนะพอเราเกิดความปวดเมื่อยมากๆเนี้ยนะจิตมันก็จะบน่นใช่ไหมบ่นไม่ไหวแล้วแย่แล้วะโอ้ปวดแล้วเกินอ่ะแล้วมันจะบน่นอย่างเงี้ยเจอแล้วเราค่อยๆเหมือนกับว่าลุกขึ้นมานะถ้าข่าวสติปับ๊บมันจะเป็นความสุขทันที เ, ลเหละเมื่อสักครู่เกิดป ฏ, ฏิกะใช่ไหมไม่พอใจในยบดครั้นี้เราก็เปลี่ยนยบดก็กลายเป็น มันปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขมันก็มีความสุขขึ้นมาเงี้ยก็กลายเป็นพอใจขึ้นมาเองพอพอใจก็เลยกลายเป็นราคะปฏิคะราคะปฏิคะอยู่นั่นนะมันก็จะตกล่องของราคะปฏิคะก็กลายเป็นว่ามันก็จะอยู่กับทีนะ่เรียนแล้วมันไม่เดินทางต่อเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจอยู่ตลอดเวลาเวลาลยในรูปแบบเราก็นั่งแล้วก็ยกมือเต็มสี่ว่า พออาการมันปรากฏขึ้นมาอันนั้นเป็นอาการของขันห้านะมันปรากฏขึ้นมาซ้อนซ้อนขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาเราก็เห็นแล้วว่าเออมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวแล้วก็มีสติเปลี่ยนให้ตรงนี้มันจะค่อยๆลบหรือว่าจุดอ่อนเป็นจุดแข็งขึ้นมาจะกลายเป็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงได้ทั้งวัน ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเดินจงกรมทั้งวันนั่งสร้างจังหวะทั้งวันคราวนี้เราจะทําอะไรก็ตามเข้าห้องน้ําไปตักอาหารหรือว่าจะอยู่ตามกุฏิศาลาต่างๆเราก็จะสังเกตได้ถึงความรู้เนืรูร้ตัวที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็แสดงว่าจเจริญสติสติจเจริญมีสติเพิ่มเหมือนกับทางานแล้วก็มั่งคั่งมากขึ้นมีทรัพย์สินมากขึ้นทรัพยายนอกก็คือสตางค์เป็นมหาเจษฐี ส่วนซับัยในความรู้สึกตัวแต่ละขณะเป็นมหาสติปฐานสี่มันจะเจริญในกายจเจริญในเวนาจเจริญในจิตจเจริญในธรรมชาติต่างๆที่มันมีทมีการกระทบสัมผัสรู้สึกตัวเราก็จะได้สัมผัสความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่ความเป็นกลางที่มันเกิดขึ้นมาการวการปล่อยการวางที่มปรากฏแต่ละขณะก็จะกลายเป็นเรื่องของกำไรชีวิตของเรา ที่มาใช้สถานที่แล้วก็เรียกว่านะเมื่อมีคนอุปการแล้วเรากรตันยูตอบคนเลี้ยงไก่ที่ไหนใครเลี้ยงเปล่าทุกเม็ดข้าวหวังไข่เนื้อไปเมื่อหน้าคนเกื้อกูลแก่เราเข้าทำราย่อมคาดหน้าสิ่งสนองต้องระวังนะเรียกว่าเราจะไม่ทำบุญบูชาโทษกันนะคนสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างที่พักสร้างนะที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนนะอันนี้นะ ก็ทําบนไว้อุปบาละไว้แล้วก็กะตันยูตอบโดยการทดแทนคุณปฏิบัติบูชาปฏิวัติที่กายปริบัติที่จิตทุกเกิดที่กายก็แก้ที่กายผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขทุกเกิดที่จิตก็ละที่จิตนไม่เข้าไปยุ่งกับมันนกระบวนการของจิตใจเดยว่าความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดไม่ยุ่งเกิดขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันกลับมารู้จักตัว แต่ความคิดอันไหนที่เป็นเจตนาคิดและเกิดประโยชน์คิดลงไปทําลงไปแต่ในช่วงเก็บอารมณ์เข้ม4ี่สิวันนี้เราไม่ต้องเจตนาคิดเรื่องพวกนั้นนอกจากใช้กิจวัตรประจํำวันเท่ทั้งเหมือนกับว่ามันเป็นความชนานาญไปแล้วที่จะรู้สึกตัวนอกรูปแบบนะเก็บอารมณ์มานานอย่างเงี้ยอันนี้จะมีผลนะเราก็ออกไปช่วยโลกกันต่อไปช่วยยังไงก็บอกคนที่เรารักกันต่อไปนะ พ่อแม่ให้ท่านได้มีความรู้สึกตัวเป็นอาภิชาติบุตรนะเป็นอาภิชาติบุตรก็คือรู้เรื่องทุกข์นะจึงเป็นการให้ที่สูงสุดนะธรรมะหรือว่ากับญาติพี่น้องกับลูกกับหลานกับเพื่อนบ้านนะหรือว่าแม้กระทั่งที่นี่ก็ตามเด็วกวันสองวันนี้จะมีคนมาร้อยหิคนมาใช้สถานที่ปฏิบัติกันที่เตรียมไว้ก็เพื่อให้คนร้อยหกสิคนได้รับประโยชน์การมาที่นี่ จะมีมาติดติดกันร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยี่สิบสองร้อยสี่สิบต่อไปนี้จะมีมาตัวนี้เราก็เตรียมไว้ให้ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มาใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกคนทุกสถานที่ทุกมุมเรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเรียกว่าแสดงออกให้คนที่มาในเกิดศรัทธาจากการที่อรามาอยู่มาที่นี่สิบสปีปีนี้นะอามาก็เห็นคนเก่า ที่มาอยู่ก็มีแม่ประเทืองแม่บัตรเทืองนี่ก็นิ่มๆนิ่งๆตอนสมัยก่อนเป็นคนดูแลสํานักงานไต้ไต้ลักเลยใครไปใครมาต้องเจอแม่ประเทืองเย็นนิ่มก็คือหลังจากที่ปฏิบัติแล้วก็มีมีอ่าประสบการณ์ในการปฏิบัติมีผลความทุกข์ลดลงตอนหลังก็ลาออกเกษียณจากพยาบาลมาเนียแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่เราปฏิบัติอยู่นิ่มๆเย็นๆให้เราได้เห็นน นมันก็จะเป็นภาพที่คนเข้ามาก็เกาะศรัทธาได้นนี้เป็นการทำบุญเราเป็นการสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงคือประโยชน์ตนก็ได้รับเป็นการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานประโยชน์ท่านก็ได้รับโดยการแสดงออกช่วยเหลือกันเราก็ไม่มาเป็นภาระไม่มาเป็นเรื่อของอยู่แล้วเกิดแล้วนะทำให้ศาสนามันลงต่าหรือว่าตัวเราเองเสื่อม เราจะไม่อยู่บแบบนี้กันนะก็เรียกว่าอยู่ด้วยความรู้่รู้ตัวเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทมันเมื่อกี้ที่อาจารย์วัชรยภาสวดหนะันตทาในพิกเวอมันตายามิโบบทนี้เป็นปัจจิโมวานะมาจากองสมเด็จสัมมาวชิรได้ชี้ไว้ก่อนตายหลังจากที่สอนมาสี่ห้าปีแล้วก็สรุปตายสุดคนตายไม่เกินหก็คือนะใหนะ้เราเนะี่ยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะด้วยความ ไม่ประมาทนะก็คือให้มีสติปัฏฐานสี่การนั่งการเดินการยืนการนอนอันนั้นเป็นธรรมําไม่เกิดความไม่ประมาทเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นจิตใจของเราที่เวลามันแสดงออกมาว่าไปผู้ไปไปแล้วหนาะนิสัยต่างๆเรากนะ็ใช้ด้วยปัญญาจิบนะ ม, มาใชนะ้เอากิเลสมาใช้เหยียบขึ้นที่สูงเป็นมรรคผลนิพพานต่อไปตรงนะั้นะ แลก็เรามาอยู่ร่วมกันชุมชนวัดป่าสุกตัขณะนี้ทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ก็ขอให้ความประพฤติ ด, ดีทั้งหลายที่เราเคยประพฤติกันมาตั้งแต่เกิดการทําบุญทําทานรักษาศีลจากทั้งเราต่อยอดมานั่งที่วัดป่าสุกตสรุปจะประเด็นเรื่องการเกลื่อนกันไว้เป็นการฝึกสติปฐานสีของเราก็ขอให้เข้าถึงสภาวะของการประพฤติพรหมจรรย์จิตบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วก็ให้น ความดีของเราทั้งหลายนั้นหรือว่าการที่เรามีจิตใจดีงามประพฤติผดมอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็จงใช้เวลาที่เหลืออยู่เป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วก็ท้ายสุดก็ขอให้เราได้มีความสําเร็จในวันชาตินี้โดยทั้งนัาการทุกท่านทุกคนนั้นเถิดกลับพัก